การฟังก็เหมือนกันก็ไ ม, ไม่ไม่มีอะไรที่จะดีหรือประเสริฐเท่ากับการฟังอริยสัจที่พระพุทธเจ้าสอนกับสาวกของพระพุทธเจ้าสอนอะนะการได้ทั้งหลายไม่มีอะไรที่จะเรียกว่าเป็นการได้ที่ยิ่งใหญ่กับที่ได้นับถือพระพระรัตนตรัยนะว่าเต็เตมๆก็ผู้ที่ได้นับถือพระรัตนตรัยนี่ชื่อว่าเป็นการได้สุดยอดของการได้แล้วนะดีกว่าได้แผ่นดินทรัพย์สินทั่วไปซะอีก ส่วนสิกขาเนี่ยนะในบรรดาการศึกษาใครจะจบกระบวนวิชามามากนายขนาดไหนก็สู้ศึกษาอยู่ในใจสิกขาไม่ได้ถือว่าใจสิกขาประเสริฐที่สุดก็เหมือนอย่างว่าว่าโดยรวมๆนะที่ถามว่าผู้ที่อยู่ในสิกขาสามเนี่ยนะเป็นคนที่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายต้องบูชาเนี่ยนะถ้าถ้าอยู่ในสิกขาสามเนี่ยนะโดยเฉพาะผู้ที่ตั้งอยู่ในสิกขาสามแล้วก็ออกบวชเป็นพระพิสูจนเป็นต้นเนี่ยนะ ท่านเหล่านั้นเนี่ยเป็นที่บูชาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็อย่างที่กล่าวนะว่าชาวโลกทั้งหลายที่เขาศึกษาวิชาขแขนงอื่นๆเนียจบไม่รู้กี่สถาบันต่อกี่สถาบันใช่ไหมแต่ชาวโลกเหล่านั้นก็ไปบูชาไปกราบไหว้ผู้ที่มีศิษยาสามแต่แต่ว่าผู้ที่บริบูรณ์ด้วยศิษยาสามไปกราบไหว้ผู้ที่จบวิชาอื่นๆมากมายนี่มีไหมไม่มีเพราะฉะนั้นศิษยานี้จึงเป็นศิษยาที่ สูงที่สุดเนี่ยนะมีสิกขาไหนบั่งที่ประชาชนยินดีเลี้ยงเลยอ่ะขอให้แกศึกษาวิชานี้เถอะฉันจะเลี้ยงฉันจะให้ปัจจัยสี่นะท่านจะต้องไม่ต้องเดือดร้อนในเรื่องอาหารนะท่านจะไม่ต้องเดือดร้อนในเรื่องที่อยู่นะท่านไม่ต้องเดือดร้อนในเรื่องอยู่เรื่องยาเป็นต้นอะ่ะมีศึกษ า, าศาสนาพระพุทธเจ้านี่แหละเป็นวิชาที่จะเรียกว่ามีคนเขาทุ่มเททุ่มทุนให้มากมายมหาศาลขอให้ปฏิบัติตามเถอะเนี่ยนะ<ๆ>ก็สังเกตดูนะมีทรัพย์สินของอ ประชาชนที่ที่เป็นนักบวชเนี่ยนะหลายแสนรูปนะในประเทศไทยเนี่ยแล้วทั่วทั่วโลกเนี่ยนักบวชในาศาสนาเนี่ยนะมีเกือร่วมล้านเนี่ยนะโดยที่ไม่ต้องทํานาเลยคิดถึไม่ต้องไปทําอย่างอื่ น, นยแล้วท่านมีปัจจัยสี่อยู่ได้อย่างสบายๆเนี่ยนะถามว่ามีที่ไหนถ้าว่าไปนะมีองค์กรใดบริษัทใดที่เรียกว่ามีทรัพย์สินมากขนาดนี้นะท่านขอให้ดํารงมั่นอยู่ในสิขาเถอะปัญหาเหล่านี้ไม่ใช่ปัญหา เพราะถือว่านี่คือสุดยอดของการศึกษาแล้วเนี่ยนะสุดสุดยอดของการศึกษาอั้นผู้ใดที่มีโอกาสได้ศึกษาศิขาสามของพระตถาคตนี้ก็นับว่าเป็นการศึกษาอย่างสุดยอดสูงสุดจริงๆเนี่ยนะของเราทั้งหลายถึงเป็นคารวาสเป็นต้นก็ไม่ควรที่จะพอแท้ใช่ไหมเพราะเราทั้งหลายได้ชื่อว่าศึกษาในสิ่งที่สูงสุดอย่างแท้จริงส่วน ปริการิยานุตริยะเนี่ยนะก็การบํารุงนะนะบำรุงด้วยอ ม, มิตสบูชาบ้างด้วยการปฏิบัติบูบชาบ้างะนะเอาทั้งสองอย่างของเราก็เนี่ยฟังทำศึกษาพระธรรมก็เชื่อว่าเป็นกลุ่มปฏิบัติปฏิบัติใช่ไหมเดี๋ยวก็จะเอาอ ม, มิสไปและสมบูรเตรียมนั่นนะทําจบก็จะไปไหว้พระเจดีย์ต่อก็อนุมโมทนาด้วยนะนั้นก็ก็แสดงว่าเอาบํารุงทั้งอ ม, มิสทั้งการปฏิบัติเนี่ยนะเอาหลายๆอย่างเข้าว่า คนนี้ถือว่าสุดยอดที่สุดแล้วนะไม่มีอะไรเยี่ยมกว่านี้อีกแล้วเพราะว่าถ้าผู้ที่บริบูรณ์ด้วยอนุตตริยาหกพ้นทุกแน่ทั่วไปท่านก็ยกย่องท่านรนว่าพรานรนเนี่ยเป็นผู้ที่บริบูรณ์ด้วยอนุตตริยาหกของเราทั้งหลายก็ขคเจริญตามสมควรแก่ฐานะของตนของตนเนี่ยนะนี่ทำทั้งหกประการที่กล่าวไปเนี่ยแปลวเป็นธรรมที่ควรรู้ยิ่งนะเป็นธรรมที่ที่เป็นอภินญญาธรรมเป็นธรรมที่ควรรู้ยิ่ง นี่มาดูหมวดเจ็บ้างนะสัตกระนิเทศในคําว่าสัตตะนิทสศวัตถุนี้ที่นี้มีความว่าทะแปลว่าสิบนิทศก็คือไม่มีสิบนะสิบไม่มีแก่ผู้นั้นฉะนั้นจึงเรียกว่านิทศนะทะนี้แปลว่าสิบนี่นี่ตัวนั้นแปลว่าไม่มีก็คือไม่มีสิบแปลว่าไม่ใช่สิบวัตถุคือเหตุแห่งนิทศคือความเป็นเหตุแห่งนิทศชีวะนิทศวัตถุ เหตุที่ไม่เอเหตุ uh, ที่ไม่ใช่สิบ น, นะเหตุ hate ที่ไม่ใช่สิบนิทัาศาวะวัตถุวัตถุตัวนั้นแปลว่าเหตุเหตุที่ไม่ใช่สิบเหตุที่ไม่มีสิบก็ได้นี่แปลว่าไม่มีนะนทัาศาแปลว่าสิบวัตถุแปลว่าเหตุเหตุที่ไม่มีสิบอธิบายว่าจริงอยู่ถ้าขีนาศกปรินิพานในการที่มีพรรษาสิบก็ไม่ชื่อว่ามีพรรษาสิบนนะถึงปรินิพานตอนอายุสิบ อนุันธสามสิบเนี่ยก็ไม่ชื่อว่ามีสิบเพราะไม่มีปฏิสนธิอีกเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่านิทัศะเพราะไม่มีสิบนะไม่มีสิบไม่มีพันสามสิบเนี่ยนะไม่ใช่ไม่มีพันสามสิบอย่างเดียวเท่านั้นก็หาไม่แม่เก้าก็ไม่มีแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองก็ไม่มีแม้แต่การครู่เดียวก็ไม่มีเพราะอะไรเพราะถือเอาไม่มีปฏิสนธิเป็นประมาณถ้าไม่มีปฏิสนธิชื่อว่าไม่มีสิบเหมือน พระคีณาสพปริณิการปริณิพานในการที่มีพรรษาสิบเท่านั้นก็หาไม่แม้ปริณิพานในการที่มีพรรษาเจ็ดก็ไม่ชื่อว่ามีพรรษาเจ็ดก็ไม่ชื่อว่ามีพรรษาสิบนะก็ไม่ชื่อว่ามีแม้การคู่เดียวปริณิพานเมื่อไหร่ก็ชื่อว่าไม่มีอีกแล้วเพราะอะไรเพราะสิ้นการปฏิสนธิแล้วบรรพูที่ไม่มีปฏิสนธิชื่อว่าไม่มีไม่มีสิบไม่มีเก้าไม่มีแปดไม่มีเจ็ดไม่มีหก ไม่มีห้าไม่มีสามไม่มีสองไม่มีหนึ่งไม่มีแม้ชั่วคู่เดียวอนะเพราะอะไรเพราะไม่มีปฏิสนธิให้ของเรานี่มีอีกนานนะคงมีอีกนานนะนะถ้ายังไม่ยังไม่ถึงปรินิพานอ่ะนะก็ยังมีอีกนานมันผู้ที่ไม่มีเลยก็คือนิพพิสะผู้ไม่ใช่สิบคือพระอริยะพระอรหันต์ก็พระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อยกเอาโวหารอันเกิดในลัตที่เดรธีมาไว้ในศาสนา แล้วทรงแสดงความไม่มีแห่งพระคีณาสพผู้เช่นนั้นในลัทธิเดียรถีนั้นคือบุคคลที่ปรินิพานได้อย่างนี้ไม่มีนอกศาสนาศาสน า, าอื่นไม่มีไม่มีเลยนะในาศาสนาอื่นสมมณะไม่มีในาศาสนาอื่นสมณะที่สองไม่มีในาศาสนาอื่นสมณะที่สามที่สี่เนี่ยไม่มีในาศาสนาอื่นพระโสดาบันไม่มีในาศาสนาอื่นทุกาศาสนา ไม่มีในภระสกาธาคามีพระนาคามีพระอาาระหันต์ไม่มีในลัทธิแห่งศาสนาอื่นเพราะลัทธิศาสนาอื่นเว้นจากอารยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ความเป็นสมณะอยู่ที่อริยมรรคมีองค์8เห็นไหอารยมรรคมีองแตกที่ประชมกันบริบูรณ์ระดับอรหัตมตรรคเรียกว่าอาเศขะใช่ไหมทั้นถ้าเสขาเนี่ยมีอยู่เฉพาะในศาสนานี้จึงตรัตเหตุแห่งความมีอยู่แห่งพระขีณาสพ ผู้เช่นนั้นว่าสัตตนิทัศวัตถุวัตถุคือเหตุแห่งนิทธศมีเจประการเหตุที่ทำให้แปลงง่ายๆว่าเหตุทำให้ท่านไม่ต้องเกิดอีกมีอยู่เจ็ดอย่างต้องการอธิบายว่าถ้าผู้ใดเห็นโทษของการเกิดนะให้ตั้งมั่นอยู่ในเหตุเจประการนะเพราะเหตุเจประการเนี่ยเป็นเหตุเพื่อความไม่เกิดอีกต่อไปเรียกว่าเป็นเหตุให้ไม่มีสิบไม่มีเก้าไม่มีแปดไม่มีแม้แต่คู่เดียว ถ้าได้ประพฤติเหตุทั้งเจ็ดประการนะก็ดูว่าเรามีข้อไหนบ้างแล้วดูความพิสูจนทั้งหลายนี้ท้าสาววัตถุเจ็ดประการนี้เจ็ดประการเป็นฉะไหนคือหนึ่งดูความพิสูจทั้งหลายพิสูจน์ในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีความพอใจอย่างแรงกล้าในการสมาทานศิกขาและเป็นผู้มีความรักอันไม่ปรักจากไปในการสมาทานศึกษา แต่ง่ายๆโอ้โหรักศึกษามากอะนะรักศีลจริงๆเลยนะรักศีลรักสมาธิรักปัญญาไม่รู้สึกเบื่อหน่ายในใจศกขาเลยเนี่ยนะโอ้ใจรักเต็มที่เลยนะพูดถึงศีลเมื่อไหร่ก็มีปีติเลยยิ้มมีความสุขมากอะนะอันนี้ข้อแรกก่อนนะสำคัญมากแปลว่าพอใจอย่างแรงกล้ามีความรักอย่างแรงกล้าโอยไม่ไม่รู้จักเบื่อหน่ายไม่รู้จักจืดจางในในศีขาสามเลยนะทั้งศีลและสศกขาจิตและศีขา อันนี้ข้อแรกรักศึกษานะรักศีลรักสมาธิรักปัญญา ม, มากข้อสองเป็นผู้ได้ความยินดีอย่างแรงกล้าในการคข่ควรวญทำและเป็นผู้มีความรักอันไม่ปราศจากไปในการใคร่ควรวญทำรักการพิจารณามากไม่เบื่อหน่ายในการพิจารณายินดีในการพิจารณามีความสุขกับการพิจารณาใข่ครควญะนอันนี้สาคัญนไม่เบื่อการพิจารณานะ เพราะฉะนั้นถ้าถ้าเอาตรงนี้มาเอาเบื่อพิจารณาเมื่อไหร่ก็เบื่อความพ้นทุกข์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้ารับในการพิจารณาอยู่นะไม่นานอะ่ะอาจจะเป็นธาตอาหารได้ขออย่าเบื่อในการอย่าเบื่อสึกขาอย่าเบื่อการพิจารณาไข้ครวนถ้าเราไข้ครวนอยู่อย่างนี้ใครจะเรียกเราวิปัสสนึกเรียกอะไรก็ช่างเขาเถอะเนี่ยนะเอาคนตาบอดมาวิจารณ์ไม่เคยได้อยู่แล้วล่ะแต่ถ้าเขาตรึกอย่างนี้มากและเขา ทำจนตรึกปิดลกสามไครครวนรอบครอบหมดแล้วแล้วเขาปฏิเสธนะเออมันน่าฟังแต่เกิดมาเขาไม่เคยคิดแม้แต่นิดเดียวสิขาสามก็ไม่มีในใจเขาอะ่ะเขาก็ไม่เคยที่จะนาะไรสักข้อแล้วเป็นคนปฏิเสธนะมีอยู่ท่านหนึ่งท่านพูดดีนะท่านบอกว่าคนนอกาศาสนาวิจาร์คาว่างั้นคนในอะ่ะจะอยู่นอกพันล้วก็ไม่ต้องไปคิดอะไรไม่ต้องไปป่วยอะไรมากมายหรอกใครจะว่าอะไรก็ว่าไปเถอะนะก็เราชมใครมากสัที่ไหนล่ะ แล้วคนอื่นเขาจะว่าเราบ้างไม่ได้หรือใช่ไหมเขาก็ว่าเราบ้างแล้วละ่ะเพราะเราก็ไม่เคยชมใครสักเท่าไรหรอกเนี่ยนะหรือว่าไปเที่ยวชมเขาตั้งแต่เช้าจนเย็นอ่ะนะแล้วคนอื่นไม่ชมเราเลยเนี่ยเออเขาว่าไปอย่าง น, นี่ไม่ใช่เลยนะวันหนึ่งกบบคนโน้นก็ไม่ดีคนนี้ก็ใช้ไม่ได้เนี่ยนะทั้นเขาจะว่าเราบ้างมันจะเป็นไรไปไอ้ข้อสําคัญของให้เราอยู่ในสิกขาสามไอตรงเนี้ยเป็นสาระของชีวิตจริงๆละ่ะ มันก็พยายามใครครวนต่อไปเธออย่าเบื่อหน่ายในการพิจารณานะถ้าเบื่อการพิจารณาก็แสดงว่ายินดีในอะไรตรงกันข้ามกับก็คือไม่พิจารณาเป็นอาการของอะไรโมหะเนี่ยนะมันถ้าเราเบื่อการพิจารณาแสดงว่าเรารักโมหะถ้ารักการพิจารณาก็แสดงว่ารังเกียจโมหะคข้อต่อไปนะข้อสามเป็นผู้ยินดีอย่างแรงกล้าในการกาจัดความอยากและเป็นผู้มีความรักอันไม่ปราศจากไป ในการกำจัดความอยากโหมีความสุขกับการละตันหามากละตันหาได้ทีหนึ่งก็ดีใจแม่จะมีความสุขแล้วเกินในตันหา่าไอ้เจ้าตัวดีเนี่ยตัวร้า ย, ยาเหตุแห่งทุกข์เนี่ยนะเคยไม่สมมุติว่ารู้ว่าอะไรมันเสียหายแล้วเราตัดใจได้ในสิ่งนั้นนะเคือรู้ว่าอันนี้เป็นเหตุแห่งความเสียหายแต่เราชอบอ่ะพอตัดใจได้เราก็จะดีใจใช่ไหมนี่ก็เหมือนกันเหมือนกับอย่างว่า ถ้าเรากำจัดสาเหตุแห่งความทุกข์ได้อนะเพราะความอยากนี่คือสาเหตุแห่งความทุกข์ใช่ไหมถ้าเรากำจัดความอยากได้มากเท่าไหร่อนนั้นแหละนั่นแหะเป็นเหตุแห่งความพ้นทุกข์ของเราดังนั้นถ้ามีความรักอย่างแรงกล้าในการกำจัดความอยากแปลเป็นภาษาอริยศาสว่ายินดีมากในการกำจัดสมุทัยเนี่ยนะเบื่อหน่ายเลือเกินในเจ้าสมุทัยเนี่ยนะกำจัดสมุทัยได้เมื่อไหร่ไหมมีความสุขเละเกิน ถ้าเป็นข้อหนึ่งกับข้อ2เนี่ยนะเน้นอ่านะข้อหนึ่งเนี่ยเน้นสิกขาสามก็คือมัจใช่ไหมสิกขาสามก็เป็นลักษณะของอริยมรรคข้อสองใหค้ควรทำก็คือรักปัญญาเน้นปัญญาข้อสามยินดีที่จะละสมุทัยข้อต่อไปบอกว่าเป็นผู้ยินดีอย่างแรงกล้าในการหลีกเลนคือวิเวกนะยินดีในวิเวกมากข้อสี่นะยินดีในวิเวกและเป็นผู้มี ความรักอันไม่ปราศจากไปในการหลีกเล้นก็คือในวิเวกนั่นเองถ้าเราดูให้ดีๆนะข้อหนึ่งคือมรรคสัจข้อสองพิจารณาทุกขสัจข้อสามกำจัดสมุทยัยสัจข้อสี่ข้อ4ีอ่อะไรนิโรสัจจ์เนี่ยนะยินดีแรงกล้าในนิโรสัจจ์เนี่ยนะก็คือรักอริยสัจมากแต่เป็นการรักแบบการทำกิจนะนะรักทุกข์ด้วยการทา ปริญญารักสมุทัยในการละรักอริยมรด้วยการเจริญเนี่ยนะข้อแรกเนี่ยศึกษาสานั้นเป็นมรดข้อสองไขครวนหมายถึงไขครวนทุกขะอริยสัจเป็นต้นสก็กําจัดสมุทัย4มีใจน้อมไปในวิเวกคือพระนิพพานส่วนที่เหลือก็เป็นยกตัวอย่างโพธิปัตยธรรมหรืออินทรีย์มาให้นะข้อสี่ห้ข้อสเอ่อข้อหวิริยะข้อ6สติข้อ7ก็ปัญญา อธิบายตามลำดับวา่าข้อห้านะเป็นผู้มีความพอใจอย่างแรงกล้าในการเริ่มความเพียรและเป็นผู้มีความรักอันไม่ปราศจากไปในการเริ่มความเพียรเพราะตัวนี้เน้นอะไรวิริยะเนี่ยนะถ้าพูดวิริยะก็วิริยินทรีสัมประธานวิริยิทธิวิริยิทธิบาทวิริยะสัมพ่อชงสัมมาวายามะคือมีใจรักในสัมมาวายามะมากรักความเพียรมาก รักวิริยะรักวิรยินทร์รักสัมมาวายาม ะ, ะนะรักวิริยะสัมโพชงเนี่ยก็แสดงว่ามันก็น่าบรรลุอยู่หรอกนะน่าจะเรียกว่าไม่มีสิทอยู่หรอกนะโอ้ถ้ารักเกิดว่ารักโพทิปัคยธรรมมากขนาดนี้ข้อต่อไปข้อหเป็นผู้มีความพอใจอย่างแรงกล้าในความเป็นผู้มีสติปัญญาเครื่องรักษาตัวและเป็นผู้มีความรักอันไม่ปราศจากไปในความเป็นผู้มีสติ ปัญญาเป็นเครื่องรักษาตัวอันนี้หมายถึงรักสติสัมปชัญญะมากรักปาริหาริากะกรรมฐานรักไอ้อนิปปะะนะปัญญาที่เป็นเนปกะะปัญญาที่ที่รักษาตัวนะหมายถึงปัญญาที่สามารถรักษาแม้กระทั่งสาสกะสัมปชัญญะโคจรสัมปชัญญะเป็นต้นเนี่ยพวกนี้อาศัยสติปัญญาเหล่านี้เป็นเครื่องรักษาตัวให้อยู่ในประโยชน์ น, นะ บริหารกรรมฐานเป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง